ว่าทั้งเรื่องเพราะว่านาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เราพวกเพราะให้พวกเราภาวนามันจำเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยๆจะได้หรือเป็นจำเป็นที่สุดถ้าหาว่า คนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนาทางภาวนาเท่านั้นนะทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์เห็นนหมนะธเจ้าจงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนาภาวนาก็หมายความถึงรวมใจ ให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกลัวมันวุ่นวายหาขอบเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนรุ่งวุ่นวายเยอะนั้นทันเทศนาว่ากลางคืน เป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั่นมันกุลอยู่มันจะอะไรมันไม่ไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั้กกุลอยู่พันเด็บเวลากลางวันนั่นแดงโลกหมดเลย คือมันออกทมออกลงทมเลยกลางคืนในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังทมอยู่คือคิดนึกทำอยู่เหตุนั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์นื่นเหตุนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เรากระทำภาวนา ถ้าหากทำภาวนาคิดใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกข์เมื่อเป็นสอนให้ภาวนา เพราะนาสมาธิได้แค่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกรคตานลมเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวนะเอาอันเดียวเป็นอารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวจริงอยู่คันแน่ถ้าไม่ง่ายก็ไม่เรียกจิต แต่อันไม่ไม่มีอันเดียวนะแห้ไปอยู่ในจุดเดียวจิตผูมนมากมายนะถ้าไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุโทโธก็ดีเอาระหังกด็ดีนาปาสติก็ดีเจ้าแดงหนึ่งก็เอาตรงในจุดเดียวแล้วเรื่องอนั้นไม่เป็นปัญหา มันส่งสายไปไหนมันก็ไม่เวล์ไม่เวปัญหาถึงส่งก็ดีไม่ส่งก็ดีจิตลงเอง ก, กตาลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็แวบออกไปบ้างยึดส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณ์ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวน ดูเพชรเนนจินดาท้อชอบใจแล้ ว, ลวดูให้แต่ในสิ่งนั้นอันสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆนะมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูอันสิ่งที่มันชอบมันไปนเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์อันเดียวจิตมันคิดนึกสงสยัย ช่างมันแต่ว่าสิ่งมันมันชอบใจอันนี้อยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอารมณ์เดียวนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เราตั้งมันแนวแน่ไม่เผลอสติสิ่งงหลายทั้งหมดในโลกอันนี้ แค่ที่จริงแล้วมันเป็นสภาพวันหนึ่งของมันต่างหากต้งลงถึงของจริงได้มันมีอะไรเหลือจริงวดทุกสิ่งทุกอย่างคนเคกิดก็มาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดความนึกสงสายไปไปมากระลงสภาพของเขา อะไรที่ยังมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากมายล้วงหลายก็ล่วนแล้วแต่ความหลงอันถ้าไม่ลงมัลงสภาพตามเดิม ไม่นอกเหนือไปจากสภาพถึงว่าจิตอันที่มันเปลี่ยนสภาพต่างเดิมมันจังลงแนวแน่เต็มที่เข้าถึงเอ ก, กตาลมได้มันเพี้ยนนาบันทึงที่มันหลงถึงที่สุดนี่นาขอ ง, ต, งอขตัวของเราเนี่ยแหละไม่จองอื่นแฝงเห็นตัวงเราเนี่เป็นดิส เห็ตัวงเราเนี่เป็นน้ําเป็นไฟเป็นล ม, มนที่เป็นตนเป็นตัวมันพลิกวิง่งติ้งตัวได้อยู่นี่เคลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อย่างนี้เพราะดินน้ำไฟลมมันจะสมบูรณ์ถ้ามันวิกนถ้ามันไม่สมบูรณ์มาขาดอะไรหนึ่งแต่เช่นไฟขาดมันเย็นมันก็ไม่มีลม นี่จะดินกับน้ำลมก็เลยหายไปนันก็กระดา้างเนี่ยวโลกโลกเป็นโลกเ น, นบชาร์ังว่ามันอยู่กับดินน้ำไปลมคนที่ว่าคนว่าคนนนั้เราสมมติต่างหา พอาม่ันจริงแล้วดินน้ำไฟลมอะไนะผสมก็เป็นข้ออนมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาตังที่าการของจิตนั่นแหละจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่เงันให้คนที่ชุดมากกวแกช้ำรุดชุดโทมไปทุดโสมไปก็ไ ป, ไปไม่ได้กันล้กลงไปอยู่ของเก่า ทอดทิ้งลงของเก่าเปรียบมันก็ถอนไม้่อนฟืนนอกจากนั้นท่านเปรียบมันก็ฟืนนั้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดตรงกลางก็มีน้ำเน่าน้ำห น, ำนองผีตกตรงนั้น ให้เอาปืนโน่นนั้นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันก็ท่อนไม้ทนปืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาคอยยังออกไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้หมดตรงนีาอของเก่าอีกแล้ว มาเกิดใหม่เอาไมาทํามาปรุงเป็นใหม่อี ก, กปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาเคลื่อนไหวไปมาตามเรื่องเท่าไพรโลของเก่าอีกทั้งรูปทรงเป็นลงไปละลายเท่าเป็นของเก่าอันอีกกินน้ําไพลโลของเก่าเชื่อว่าเราก็ไม่ใช่เชื่อว่าให้กป็นไม่ใช่ทั้งหมด ในผลที่สุดเลาเป็นขี้ขโมยไปขโมยเอาดินหน้าไปลงเขาของที่อยู่ในโลกอันนี้เอ า, าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามอถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอยู่นี้มันต่างขี้ขโมยแทๆ้ๆคนใดยังเป็นขี้ขโมยอยไม่พ้นจากทุกข์ ท่านเถือของกูของกูยังอะไรยังไม่พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นเป็นสภาพที่น้าไปลมแล้วปล่อยวางในเมื่อดันแหละจึงจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ท่นสอนพวกเราพวกเราอย่างวันอาทิตย์ตามได้จริงจงพิจารณาอันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุที่ใจไม่เป็นสมาธิเพราะที่ใจไม่เป็นอาเป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุด้านเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสีย อ, อันพิจารณานั้น เอาใจนี้ให้จุอย่าที่บาวมาได้เบื้องต้นการพิจารณาการสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นสภาพว่าสภาวะตามเป็นจริงเรายังจะปล่อยวางลงไปได้เรียกว่าปัญญาเราจมาทิจะให้เกิดปัญญา นเปนอน็อย่าไปชี้อย่าไปดิ้กดอนใจเฉย่ฉยเรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชรลาแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อนของที่เราได้มานี่ เรียกว่าได้มาโดยดุจยากเลี้ยงว่าได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคุณปืนได้แสนยากงวนมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่ในหน้าไฟลงมานี้แล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันมันยังเก็บคุ้มค่ากับเราปฏิบัติยาก รักษายากนั่นคุ้มคอรองมามา้วยากเหลือเกินเราคุ้มคอรองมาอยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มคอรองมาอยังให้แก่แก่เดี๋ยวก็คุ้มคอรองไม่ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้นนรักษายากเลือยากเพียงแต่รักษา ยากเท่านั้นไม่ทําประโยชน์ได้แต่ของยากคือความทุกข์เองคันทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของยากกนเลยไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยขึ้นอยอมสราระเสียก็่อยวางกัเลยวัดเรื่อง มเมื่อมันเจ็บก็บทิ้งเสียมเมื่อมันแก่มันตายก็ทิ้งเสียมันทิ้งเราแล้วก็ทิ้งมันนั่นเอคุ้มค่ามันทิ้งเราเราอะไราอาบอนไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามเจ้กว่าสอนแล้วทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่ รู้จักผิดจักถูกรู้จักดีจักชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปนตามท่านว่าไหมมันเป็นแล้วจะได้รู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากมันไม่เป็นมันก็ผิดจักหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ ศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คนพูดสอนแล้เอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้นทำมากกทําทำทำน้อยกทําทำอย่างไม่มีอะไรอย่างหนึ่งสอนให้อดทนํำเดียวเท่านั้นนะอดทน อดเป็นประมาณจริงอะไรนะฟังมมอดอดมดอดคำเดียวจะนี่อดทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเดือดร้อนขึ้นมาก็อดเล้วังก็ซับกระส่ายวุ่นวายก็อดไม่ต้องไปกระซับกระส่ายวุ่นวายมันความดีควาชั่วทั้งหมดอดมดความอดอะไรน่ย มันเป็นตบะธรรมสามารถที่จะระ ง, งับความเวทนานั้นได้อดอันเดียวเท่านั้นนะไม่มีทางไปเลยเมื่อกันลงเท่านั้นทีอ่า น, นันอดอดทนทนต่อสู้ด้วความอดนั่นแหละ สู้มันมัน ม, มีทางไปมันก็ลงของเขามันไม่ไปไดแล้วใจอนี่มันอยู่ที่เดียวเนะ่มันอยู่กับเรา่นั้นนะถ้าหากเราอดทนน่นก็เห็นตัวใจใจเป็นคนอดใจเป็นคนทน จริงทั้งหลายทุกเวทนาเลยกลับกลายเป็นแพ้ใจไปแคยที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกใจนะั่นะไปจับเวทนาคำว่าแพ้นะ่ะหมายความว่ า, วามันเป็นววหารถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึด เ, เวทนานั้นเวทนามันก็หายไปเทียกว่าเราชนะ ถ้ายืดแต่เวลาต้อกระกลับขึ้นมาอีกเรียกว่าเราแพ้ไอ้ผู้ดเดียวนั่นแหละเห็นนั่นยังวาตั้งสติกำหนดจิตตรงนี้ใหนแนวแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการมันอาการมันทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเป็นอาการของใจ เราจับตัวใจเราไม่ต้องส่งไปตามกิจมันก็เป็นภาวนาสมาธิเท่านั้นเองที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตซึ่งของน้อยก็หมายความั้งเรื่องมราณาสตินั่นเองให้พิจารณามราณาสติว่าสิ่งใดที่มันตาย ตายข้างหลังนี่มันมีชิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องมดลึกทุกส่กสกสวนนี้แล่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายเป็นยังอุน่นเรื่งตึงหัวใจ อุ่นจะทำกลาง อ, อกนั้นอุ่นตรงนั้นกัลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดแลจะต้องไ้่มีลมหายใจความอบอุ่นนะ่ะเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความออุ่นนะ่ะถ้ามันมีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจลวทันอันตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็น ก, นกลางๆนั้นถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้นตัวใจนั้นเรียกกระลมหายใจต้องหายใจก็จริงอยู่พราะมีลมมันจะคอยอยู่ในนั้นถ้งหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ในนั้นเทียงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมแล้วเจ้า การชั่วจะไปติดการชั่วนะ้๊ะอันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆีจิตจะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลงกลางนั่นนะเมื่อลมาหายใจมดวดังไม่มีทางอนะไปตามเรื่องเหตนนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่ เมื่อเราหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมนพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอ็นเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นาขันเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีได้มันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่อง ตวามเกิดนันก็ไม่มีนั่นน่ะจึงต้องให้รักษาตรงนั่นแหะพิจารณาความตายเบางตน้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลงไปมันเหยียบอะไับการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหะให้หมดใ ห, ให้พิจารณาตรงนั่นแหละจนกระทั่จิตแน่วแน่จริงๆริงมั่จั ง, จงในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละ มันจะไม่ ป, ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏในใจเตรงนั้นแ่ะตรงกลางๆนั้ น, น, นมันซาบันหายไปไหนมันปรากฏเฉพาะไม่ปราก ฏ, ากฏลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่าน สิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาแล้วเป็นคำพูดในตอนนั้นมันมีปรารถนาเลยทั้งหมดเรื่องนั้นมันมีปรารถนายังไงพิจรารณาอาตรงนั้ น, นี่ยเอา้าพิจรารณานันบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจรารณาหาและปฏิกูลััญญา มันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉยๆว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณา เ, เรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันตนเปื้อชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ บุคลันตังบะคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเทาวานปรากแั้วก็ไหลออกบุทวานหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบเหมือนกับคองที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ํามันอยู่ในร่างกายของเราจึ่งค่อยพิจารณางานที่เรื่องเด้วกาย เป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละอิจเราอยู่แล้วอยู่ตรงนี้คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นปลื้มสลดทางเวทได้กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผูเสือ่อมอาหารการกินจังไคอยอยู่ได้ต้องสนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะ ท, ทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอย่างนั้นจนกระทั่งเนเจ็บส่วยยังกระทั่งนอนกินนอนอนอนอยู่กับที่ทํามาหา ก, กินไว้ได้คนอื่นถ้าต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหลอดเลี้ยงนะ้เป็นตายเลยยังไงก็ต้องตาย เห็นนั่นอาหารเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดเียวหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแหละหมดเท่านั้นนหละแล้ววิจารณ์อย่างนี้มันเกิดความสรดสังเวชชีวิตยอยู่ด้วยกับทิ้งอื่นๆ ถึงปฏิคูรสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิคูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิคูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิคูลแล้วอาหารที่กินอะไปก็ปฏิคูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีไม่ดียได้หรอคนเราอยูด้วยกันทั้งนั้น เ, นเพียงแต่ว่าธาตุสี่ พวกปลาปงมันธาตุสีอันนี้ธาตุโขกครั้งเข้ามาพอ่อครั้งเข้าให้มันจเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งกับพอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีของอยู่ที่อากานี้พอ่อแส้งมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วสามสิบสี่ทีปีไปแล้วก็มีแต่ยังหมดจะเปืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปืองไป ร่างกายของเราเช่นอเซล ต, ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เท่าชรลาเนก็ไม่รับอาหารนะครับนี่สิ่งต่างๆมันหมดไปแรงเปรี่ยวแรงก็อ่อนเสียไปในโปรตีนสูตรดับแตกพลายลงไปเป็นดินน้ำไปลลมการดื่มนี่ถ้ายังให้พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาเป็นเป็นกรรมฐานมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานท่นั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดับเป็นกรรมฐานมดถ้าจิตไม่สงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรร ม, มนสูงอย่างกสิณจิตวิชชาสิบอนุสตีสิตก็เต่า ที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุแนจริงว่าไม่ควรที่จะคำานึง่งไม่ควรที่จะคิดตัวไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นที่พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเอาสติเนะี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยนอนมานอนพิจารณาถึงไม่ยอมมันก็พิทารเองหรอกคุมจิตอยู่แล้ว คนเกียนไม่อยู่ไม่เป็นการหัดภววหาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางทิงทั้งหลายเพื่อมันติดพันในโลกนี้หัดปล่อยหัดวางทิ้งหัดถอนเหมือนนเรียกว่าสัญญา จำได้แม่ยังที่สุด